อยากจะให้สมาทานพระัตนตาัยอย่างตั้งอกตั้งใจให้เป็นสีพยานคือมีพระสงฆ์นี่เป็นพยานและวพวกท่านทางไหนจะมีกำลังใจดีที่สุดต่อนนั้นไป <c oughs> เมื่อถึงพัตนตาัยแล้ว <c oughs> เป็นขั้นที่หนึ่งให้ขั้นที่สองอยากให้ตั้งใจสมาทานศีลวันนี้พระสงฆ์จะเป็นสขีพยานให้คือการรักษาศีลไม่ได้บังคับหรอก ใครจะตั้งใจเป็นพมจารีก็เอาตลอดชีวิตก็เอาวันนี้พระสงฆ์มาแล้วใครจะตั้งใจรักษาสินห้าก็เอาตลอดชีวิตก็เอาใครจะรักษาเป็นวังวนันวังวันก็เอาใครประหยัดน้อยแล้วแต่แล้วแต่คนจะเอาใ ห, ให้รู้จักพูดให้รู้จักวันนี้เพื่อจะหายความสงสยัยใครจะตั้งใจอืมแล้วแต่ศรัทธาของเรา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 อันนี้เป็นทางดําเนินที่ตรงอันนี้พูดให้ญาติโยมฟังนะสิลห้าสินปดทุกประการนี้เรียกว่าศินเนี่ยจะสมาทานโดยตนเองก็ได้เรียกว่าสัมปตาวิรัติเรารู้แล้กวก็ต้องเราเห็นโทษเราเลิกมันก็เป็นศินในประการที่สองนั้นต้องไปถามคนอื่นต้องสมาทานกับพระสง์หรือใครคนใดคนหนึ่งให้รู้จักเรียกว่าสมทานนบิรัตงดเว้นอันหนึง่ง อันที่สามนั่นสมุทเททวีรัตสมทานกับคนอื่นก็ได้สมทานโดยตนเองก็ได้วันเลิกเลยเป็นเป็นศีลของพระอริยะบุคคลผู้ที่ยังไม่เป็นอริยะสมทานศีลชนิดนั้นก็เพื่อจะเป็นอริยะต่อไปโคตรมาถึงศีลนี่หนักไปหน่อยนะหนักกว่าช่างมันไม่ต้องกลัวมัน<ด>มันจะไม่หนักอยู่ที่มันหนักกันแหละ ทำอย่างนี้หมดหนักแล้วมันก็ไม่หนักก็สบายท่านเนะี่ะอย่าไปกลัวมันนะดุษฎีพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวมันพระพุทธเจ้าตันเตรบว่าดอกบัวดอกบัวสีเหล่าก็เหมือนจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี่ดอกบัวมันใจของเรานี้บางดอกมันก็จมอยู่ในโคลนดอกที่จมอยู่ในโคลนนั้นแดอกที่สอง ก็มาอยู่กลางน้ำดอกที่สามเสมอน้ำจิตใจของคนก็อย่างนั้นดอกที่อยู่ในเสมอน้ำพรุ่งนี้ก็จะบานดอกที่อยู่ในโคลนในตมนั้นยังยังมีโอกาสเต่ามันจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ปลาจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้โอกาสว่าที่จะได้เป็นดอกบัวบานแต่ดอกที่พ่นน้ําแล้วกับพ่งนี้ก็บานเราจะเอาดอกไหนก็เอาเอาจะอยู่ในโคลนก็เอาเราจะเอาอยู่ในเสมือน้ําก็เอาแต่มันปลาไปกินนะ่ะเต่ามันไปกินนะ่ะถ้ถามันถ้ามันถ้ามันเสมอน้ําพุ่งนี้กัพ่นน้ําบานเต่าไม่กวนนะที่นี่ปลาทำไมไม่กวนเ น, นี่ยพ้นอันตรายนี้โยมจะเลือกเอาดอกไหนนะ่ะเอาอยู่ในโคลนหร อยู่ในน้ำหรือมันจะพ่นน้าําเอาอะไรก็เอาทีเข้าใจนะเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้น <c oughs> ใครก็ทนปลามันกัดเต่ามันกัดอยู่นั่นเนี่ยมันก็ดังลาบากอย่านั้นแหละทามันบาลนนะ่ดอกที่สีมันจะบาล น, น, น, น่ก็ไม่มีอะไรกวนใครชอบเต่าชอบปลาก็า เ, าเอาสิไอ้อยู่ในในโคลนนั่นแหละไอ้ <c oughs> อยู่ใน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 อันนี้มาคราวนี้มีประโยชน์เห็นประชาชนมาเรื่มใสก็อาตมาในภูมิใจนี่เพราะอำนาจบา ร, ร ม, มีที่อาตมาอยู่ไทยแลนด์นี่ไ้พวกไอ้แจ็ค ก, ก็ไปโพนี่ก็ไปก็ไปเรียนไปพบกันและก็เลยมาบา ร, รมีของแจ็คเขาของโพเขาเดิวมาเป็นเหตุได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายเนี้ย อาตมาก็มีความภูมิใจแต่ว่าดูแลก็อยากจะไปเหมือนกันเนี่ยแต่ยังห่วงเต่าปลาอยู่หลายคนมาอยากจะขึ้นเรือก็อยากจะขึ้นแต่ห่วงปลาห่วงเต่าอ่าถ้าขึ้นเรือไปถ้าได้เตา่ปาปลามัใจะไม่ได้กวนไม่อยากจะไปก็มีเป็นยงงี้ไหมเอาไงกันล่ะวันนี้พูดความจริงให้ฟัง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 แต่จะมากับเมืองไทยแล้วก็ไอความดีทั้งหลายมันเอาไปอเอาไว้ให้โยมหมดทั้งนั้นเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ไปเตะตัวเ ป, ปล่าๆนั้นเพื่อโยอมอยากจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปใช้ก็ดีเต่าฟ้าจะไม่ได้ครูนแล้วก็ง่ายอืังนั้นจึงมีความภูมิใจมากเมื่อเทศให้ฟังนี่นหลายวันนะนะถ้าใครสนใจคนจะรู้เด้มั้ง ใ, ใครจะรู้นาะ พอสมควรก็กลับบ้านเท่านั้นแหละตอนนี้ไปจะทำพิธีให้ถึงพระตนตรัยเป็นสมทานศีลแต่ตั้งใจทุกคนเขาจะตั้งใจยังไงก็เอาใครจะเป็นพรมจรีก็เอาที่มีกี่คนไหมเนะีะ ห, หน่อยๆมีเนาะดอกบัวจะบานพรุ่งนี้มีกี่ดอกเนาะ น่ามันจะเป็นเต่าปลากวดอย่างนี้หลายวันนะเดือนเนึ่ยมั้งนี่ใครจะเอาสินห้าก็เอาอืใครจะเอาพรมจารีก็เอาใครจะตัดเลือกเลย ก, ก็เอาือตัด<ะ>สินกันวันนี้แหละต้องเอากันไม่อย่างแล้วก็อย่างหนึ่งก็เอากันดิแหมนั่งรถจนมาทํากรรมฐานเอาของดีให้ไม่เอาเดี๋ยวก็แล้วกันเท่านั้นเอาไว้ <c oughs> ตั้งใจนะเจะชามาั จงใจทุกคนสิลานิยาจามา ดีเอาตั้งใจวิรัตนี่เดี๋ย ว, วสมทานสมทานจากคนอื่นเป็นสมทานนวิรัตถ้ามีอะไรต่อไปข้างหน้าถ้าหากมาเห็นอะไรที่มันไม่ดีเรางดเว้นมันก็เป็นสัมปตวิรัตสมทานโดยตนเอง อันที่สามเนี่ยสมาทานในคนอื่นก็ได้สมาทานในตนเองก็ได้ไม่สมาทานก็ใข่ก็ได้ตั้งใจตักนี่ก็ได้ตั้งใจวันนี้เป็นอ่าเป็นวันพิเศษนะอืมเป็นวันพิเศษจะมีพระสงฆ์เป็นพยาน<ม>ให้ตั้งใจเอาให้เต็มที่ตั้งใจให้เป็นหลักฐานพยานไว้ของดีให้ฟรีๆไม่เอาจะตังอะไม่เอาจะตังของดีให้ฟรีๆให้ฟรีให้ฟรีนะ ไอ้ซีก็ยังมอยากจะเอาไปรั่วเป็นไงเนาะให้ขนงซีๆให้จะแย่งกันวะตั้งใจตั้งใจทุกคนทุกคนตั้งใจไว้นะโมตัสสะภะควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 อันนี้เป็นคำที่นอบน้อมพระพุทธเจ้านามูนพุทธังสรนังขัดชามิธรรมังสรนังคัดชามิสังรังสรนังคัดชามิ อันนี้เป็นคำที่ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุติยมปีพุทธังสรนางัจามิทุติยมปิธรมังสรรนางัจามิทุติยมปิสังขังสรรนางัจามิ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 ตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตัติยัมปิธรรมังสรนังขจามิตัติยัมปีสร้างังสรนังขจามินี้ ย่ำเป็นครั้งที่สามถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามย่ำไปอีกติสารณคมนนางนิตติตังอามะปันเตเ อ, อเ อ, อนี่ตันหมายถึงว่าไอ้คํำพูดที่ถึงพระตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จบลงแค่นี้อันนี้เดียวถึงพระตนตรยนัย ัคมตอนนี้ไปตั้งใจสมทานนีศีลปานาติปาตาเวรมณีส <c oughs> ิกขาปาัทัง <c oughs> สมาธิยามิ <c oughs> อะทินนาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิกามีสุมิชฌาจาราวีธรัมณี สิกขาปทัาาปทังสมาธียามิสามาธียามิมุสาวาธามุสาวาธาเวรามณีเวรามณีสิกข<ส> <c oughs> าปทังสิกขาปทังสมาธียามิสามาธียามิสุสรามี รยะรยะมัช a ปมมาตัฏฐานะเวรมณีคาปัฏังสิกขาสัมมาธิยามิ อิมานิปัญจสิคาปัฏานิสีเรณสุขติัญติสีเรณโภคสัมปทาสีเรณิปุติันติตัตมาสีรังสุทะยุสัตถุ แพ่คำปายทางหลังมันสีเรนะสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพูติงยันติตัตถมาสีรังวิโสทายสีเรนะถ้าวอันนี้ท่านบอกอ น, นิสงของการรักษาศินห้าสีเรนะสุขติงยันติคือใครรักษาศินนี่มีความสุขใจสุขกาย สีเรณโพคะสัมปทาคนที่จะมีโภคะอันสมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์มีเพะสินนี้โภคะคืออย่างสิ่งของเข้าของเงินทองสีเรณ น, นิพูติงยันติตัสมาสีรังิโสทยเยใครอยากจะไปพนันญภานพ้นจากทุกข์ในบัรสงสาร น, นี้ก่อสมทานสินนี้มีฉะนั้นพวกเราทางายมาพระ รวมกันมานจะมทานถึงสินนี้เธอด่างกันนะนี่คือความหมายในการรักษาสินมีอา น, นิสงส์อย่างนี้สินนี้เป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายใครมีสินนี้บังเกิดธรรมะขึ้นแต่เบื้องต้นจนถึงสี่สุดได้ปฏิบัติธรรมะก็ง่ายขึ้นถ้าไม่มีสินแล้วธรรมะเกิดไม่ได้เพราะคนไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้ว่าจะเกิดมาจากที่ไหนเลย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 อาจจะเห็นว่ามันอันนี้มันเป็น เ, เรื่องของฉันก็ได้นะ yeah, thinking, oh, เนอะให้เข้าใจอย่างนั้นอืมอมอ่าใครมีอะไรบางไหมเดียวพรุ่งนี้ก็จะได้ ท, ำทํำพิธีอื่นต่อไปเนียเดียวก็จะได้จากไปเมืองไทยไม่ได้ถามอะไรที่เนี่ยมีปัญหาก็ไม่ได้ถามแล้วบ้านนี้ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยอย่าสงสัยมากนะเอาพอดี <laughs> ใครยังไม่อิม่มยังไม่อิ่มธรรมะไม่ได้อิ่มในคำสอนยังมีข้อข้องใจอยู่มีโอกาสไฟเมืองไทยก็ได้บวรณาไว้ทั้งคหญิงผู้ชายทั้งหมดนะแหละไปหลายก็ได้มีข้าวเลี้ยงกังนละข้าวเหนียวนะไอเอา ให้โอกาสแจ็คพูดแทบหน่อยก็ได้ยืนก็ได้ยืนก็นใ้สบายเนาะพูดเรื่องราวทั้งหลาเนี่ยแจ็คเลยวันนี้ให้เทศสทุกคนโพลกเทศได้ม้างวันนี้เนี่ยเเทศกันหมดหนึ่งสองสามจิตคิดอย่างไรครับเสียงทา้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดมาแล้วทำไมก็หมายรู้เขาก็ถามอย่างนั้นถามยังไง ถ้าถมว่าจิตนึกอย่างไรนะครับเมื่อใดฟังอันนี้จิตใครก็ไม่ทราบถามโยมเองโยมคิดยังไงเรื่องนี้ถามคนที่ถามนั่นมันคิดอย่างไรถึงถามอย่างนั้นไม่ทรา บ, รบทราบตีต้องเอาใหทา้ทราบที่ไม่ทราบไม่ได้นี่ไม่ทราบไม่มีคาถามหรอกที่ถามมามันต้องมีเหตุนี่มันต้องเกิดมาจากเหตุมันถึงมีถามขึ้นมาเนี่ย ต้องย่นมันเกิดมาจากอะไรถึงถามอย่างนี้ต้องรู้จากเหตุมันสิยังจับไม่ถูกถอยอมรับยังจับไม่ถูกนะจับไม่ถูกเอาละเคยมาเป็นครั้งที่สองหรื อ, อยังนี้นออ ม, มานาะนเนี้ยครัง้งแรกนั่นแ <laughs> ฟังปัญหาเนี่เป็นคนใหม่แต่แท้นี่ ไม่รู้จะเอาอะไรตรงไหนนี่มีอยู้จับจับตรงไหนนี่มันไม่รู้จักจับอะเอเออะไรก็ชังมันเถอะโยมโยมมันจะรู้เองหรอกต่อนี้ไปก็ให้ทําทําสมาธิอย่างแก๊กกับพูดนั่งสมาธิอย่าคิดให้มันมากให้ดูลมหายใจเข้าออกให้แน่เท่านั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะรู้ที่ตรงนั้นมันไม่รู้ขึ้นตรงนี้หรอกรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้ขึ้นตรงนั้นเนี่ย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 ที่ไม่รู้มันหายไปรู้ก็เกิดขึ้นมาโยมเหมือนกันที่ยังไม่รู้นี่ก็ให้โยมปฏิบัติเดียวมันรู้หรอกอย่าใจร้อนนะเดียวไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเรียวกลับบ้านง่ายๆแทก็ได้นะยาใจเย็นๆเขาบอกว่าลุงพ่อก็ได้ปฏิบัติมาหลายปีเขาอยากให้ลุงพ่อดูเขาและลุงพ่อเห็นอะไร มเห็นทั้งหมดนั่นนั่งหรือนั่นเห็นทั้งหมดตัวนั่นนั่งนเห็นหมดมันมันไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นอไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นโยมมาปฏิบัติตามเลยตอบไปนอาจารย์จะให้โยมดูโยมเองก็จะเห็นเองนั้นนะ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 มากี่คนแล้ววานนี้ครั้งที่สามเป็นครั้งที่สามนะโอ้ยครั้งที่สามรู้จะของเม่ทันอยากให้คนอื่นดูให้เราเนาะทาทำ ท, ำทำจนกระทั่งมันเป็นกระจกเป็นกระจกกันเนี่ยเราจะไปมองในกระจกงั้นเราจะรู้จักเจ้าของบ้านของเรามันเป็นยังไง กระจกเนี่ยซองเงามันจะบอกเองว่าเราไปดูในกระจกเองจะเห็นเห็นรูปจากของอย่างว่ามันเป็นอย่างไรรูจ้จักไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วให้เริ่มปฏิบตัติต่อไปนะเรารู้หรอกเข้าใจนะได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่นะค่ายตอบลัว <c oughs> ได้ยินอยู่เอาไปพิจรารณาดูอย่างนั้น <c oughs> คืออันนี้มันคือคือ คนอื่นพูดให้เราทำอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นเพื่อให้เรารู้ตัวเราเองมาอยู่ที่นี่สงบดีไหมทุกคนสงบดีไหมไมาอยู่นี่เขามีปัญหาเขาได้ปฏิบัติเจ็ดปีมาแล้วแล้วก็เขาได้ใช้บริกรรมที่นี้เมื่อมาปรึกษากับแจ็คแจ็คบอกว่าบริกรรมนั้นไม่ต้องทำให้ทำมานาปานสติดูลมหายใจ ทีนี้ก็เขายังไม่ไม่ระงับอันนี้อย่างใจก็ยังเถียงอยู่อยากจะอพิจารณากับวลีกรรมนั้นแล้วก็ได้เกิดนิมิตให้เห็นถ้วยซุปเป็นทั้งอวลีกรรมและอานานสติเห็นด้วยด้วยกันนะครับเห็นอะไรเห็นเเอาก็เกิดเป็นนิมิตเห็นทั้งสองอย่างรวมกันแต่ว่าเขายังยังยังยังไม่ค่อยระงับอืเห็นอะไร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 ต้องบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอย่างนี้เลยว่าพุโทโธมาดื่อทำบริกรรมพุโทโธพูดด้วยเสียงด้วยยังมีเสียงด้วยถ้าอยู่ต่อไปจิตมันก็สงบจิตมันละเอียดขนะึ้นมันก็ไม่คิดอยากจะว่าพุโทโธนะพุโทโธคำพู ด, ดมันเป็นของหยาบ แ, แล้วแต่ว่าไอความรู้สึกมีอยู่ที่นี้ผู้ปฏิบัติพอไปติดสิ่งที่บริกรรมจ้ะ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 มันก็แทนกันได้แล้วมันมีอะไรจิตที่มันสงบแล้วนะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอืมอย่าไปสงสัยในการบริกรรมอย่างนั้นอืมของง่ายง่ายไม่ยากหรอกมันสงสัยก็ทิ้งมันไปแล้วเท่า น, นั้นแหละพอพลอไปเพิ่มพราะอะไรไม่ต้องสงสัยสงสัยเกินไปทิ้งมัน ไ, ได้เลยทิ้งมันนี่ก็หมดหม ด, ห ม, ดมันสงสัยก็ทิ้งความสงสัยก็หมดไปเรื่อยๆไปคือเยันนี้ลุงพ่อได้อสั่งสอนเรื่องอให้พูด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 ให้เขาใชา่ยอย่างนี้ต่อไปหรือว่าอันไหนดีนะครับอาจารย์ขนมันดุ้เทขยะเนาะอะไรก็าเข้ามาเทเซนี่ เ, เนี่ยเทแต่นี้อัตมาให้บอกให้พูดกับเจ้าของไม่ได้บอกว่าให้เชื่อเจ้าของอะนะให้พูดกับเจ้าของพูดเด็กกระทิ้งไปพูดเด็กกระทิ้งทำอย่างนี้พูดเด็กกระทิงไปเดี๋ยวไปนั่งอยู่เดี๋ยวมันเสนออันนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดูแล้วทิ้งมันไป เดี๋ยวมัเสนออันนั้นไปเงินก็ทิ้งมันไปอัตมาเมนี่ยสอนมาให้เชื่อเจ้าของนะให้พูดกับเจ้าของอย่างนั้นพูดแล้วก็เรียกว่า อ, อ, อันนี้มันก็ไปแน่ ก, ก็ทิ้งมันไปอันนี้มันก็ไ่แน่อ ก, ก็ทิ้งมันไปจนกว่าที่มันหมดปัญหาที่จะทิ้งก็หมดเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าอัตมาเชื่อเจ้าของนะไม่เชื่อเจ้าของ เจ้าของก็ไม่มีอ่ะไม่มีเจนะ้าของคนนี้ไม่มีเจ้าของนี่ถ้าคนมีเจ้าของว่าคนน้ำหมากเท่านั้นเนี่ยพูดไปถึงที่สุดจนไม่มีเจ้าของนั่นเองกขไาใจไหมเอาอย่างงั้นแหละ พ, พอสมควรเลยเนาะ อ, นะอย่างงั้นก็พอสมควรเราบอกเขาท่นี่วันอีกต่อไปวันใหม่นี้ โยมที่ยังสงสัยอยู่วันใหม่นะให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือ ย, ยึดมาดูแต่ควาหวังไม่ใช่ยึดไม่หวงังอือย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณ ไอ้ความสุขนี่ล้วก็เห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุกกว่าพิจารณาสุขไปอีกเป็นสักกะาถาแล้วเห็นโทษของความสุขอีกอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฏิบัติไม่ให้หลมทางอันนี้ก็จำไว้อันหนึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งสำหรับที่ให้ผู้ปฏิบัติเราพิจารณาไปไ ง, ง่ายอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เห็นเรื่องของโรคว่ามันไม่เที่ยงนี่มันไม่เที่ยงอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงอันนั้นมันก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นทุกข์จิตใจเราก็เห็นนี่เนื้อขมกระถาเลยว่าจิตใจก็แล้วก็ออกเบื่อแล้วเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นเพราะนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไม้ไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้ว ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโปรดปรานเนี่ยกรมาทําใจออกออกจากอุปท า, านนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่กลับไปยึดมั่นถือมันนั่นก็ถึงความสงบของการปฏิบัติเท่านั้นไม่อยากเกิดบ้าอีกแล้วมันยุ่งนี่กรรมกัะชาออกไม่อยากจะยึดมั่นถือมันแล้วมันก็เกิดมีความสงบขึ้นมานะ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 ทำเหตุให้ยุ่งมันก็ยุ่งไม่ยุ่งเวลานี้ก็ยุ่งเวลาหน้าไม่ยุ่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ยุ่งชาตินี้ก็ชาติต่อไปต้องมีความยุ่งอย่างนั้นอันนี้เทคนิค ก, กรรมก็ได้เนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็ให้โยมพอกันรูจ้จักพิจารณาแล้วก็ให้ให้อภัยด้วยนะวันนี้พูดมากไปแต่แต่วันนี้นะพูดมากก็เพราะว่ารักโดยธรรมะแต่อัตมา ก, ก็มาอเมริกานี่ไม่เคยมานะมาเราจะปล่อยไ้ของดีไปให้โยม ทุกคนเนี่ยให้คิดพิจารณาดูนะถ้าหากว่ามันผิดยัง ม, มาโทษแต่มานะโทษพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าบอกให้แตามาเทศอย่างนี้เกยยาวไปล่ามแปลก็เีดีเลฉ ล, ล, ลาดขึ้นนะ <c oughs> ถ้ายิงนกขึ้นจะถูกทุกตัววันนี้เนาะ ถายิ่งกปุ่งเห็จะถูกทุกตัวเมื่อ ว, วันถูกไหมแค่นั้นพระจะมาถามถึงแค่นี้ต่อนนี้ไปก็เป็นเป็นโอกาสพวกญาติชมจะไปติยนาโดยตนเองนะให้รู้จักดีชั่วให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าเห็นของที่ไม่ดีมันทํากวนไปแล้วพยายามเขียมมันออกเขียมไปคนเห็นก็ได้เขียมคนเดียวไปได้เขียมนะให้มันเบานะ อัตมามันเป็นพระอยากจะพูดตรงไปตรงมาพูดไม่รู้เรื่องไม่อยากจะพูดเยก็พูดให้มันรู้เรื่องเลยเนี่ยใครจะเอาก็เอากันไปใครจะเอาก็เริกกันไปนสบายดีเนาะทํากรรมฐานทําเหมือนระฆังนี่ระฆังมันเมามันตั้งมัจะเฉยดูมันมันเสียงมันมีนี่นะสงบสงบเสียง เมื่อมีเหตุเกิดมากระทบขึ้นมานะฮะเสียงมันเกิดขึ้นมาถ้าเอาตั้งเฉยๆรู้มันไม่มีเสียงนั่นแหละนักปฏิบัติเปันกาเนี่เป็นคนหมักน้อยอย่างนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมา <S <S เหตุจะมาแก้ปุบทันท่วงทีเลยชนะโดยปัญญาของเราถ้าอยู่ธรรมราดาเฉอๆอย่างเหมือนไม่มีเสียงให้ทําอย่างนี้ เมื่อถูกปัญหาเมื่ออะไรมากระทบตาบหูจมูกเด่นจะมีเสียงขึ้นมามีปัญญาปึ๊บยังไงแก้ปัญหาแล้วก็ไยุบตัวก็ไปเหมือนะระฆังเมื่อหยุดดีเราก็หมดเสียงดังไว้เฉยๆทําอย่างนี้กลับนะพว ก, กนี้จึงกลับคนนั้นไม่เดาไปที่ไหนเลยไม่เคยอยู่ตอ น, นนี้เนี่ยก็เลยเป็นเป็นวิถีคิดช้าจะ อ, าอะไรก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนนะในภาษาเมือนเคยจับปลาสองมือ หมดแล้วไม่ได้ทํางานแล้วมีปลาสองหมืจะทํางานเนี่ยไม่ได้ทำมีแต่ปลาสองตัวเท่านั้นไม่ได้ใหม่เนี่ยปลามากๆก็ไม่ได้ในแต่ปลาสองหมื่เท่านั้น่ะจับเท่านี้ก็ดีนี่จำไปจับปลาสองหมืนะขาดงานหมดอันนี้คือวันการแต่ว่าให้มีปัญ ญ, ญานะอาจารย์มากก็ดีแก่คนที่มีปัญญาแลแ้วจะไ ป, ช, มมนนปชิมมันนั่นเดี๋ยวไปชิมมันนี้ไปชิมเรียวกว่เป็นบางอนะ่็นไหมบางอยู่เมืองบัดประคงกันนะ มันลองชิมชิมชิมชิมชิมชิมชิมมันไปชิมตัวนั้นไปชิมตัวนี้อยู่งั้นเนี่ยสงสัยไม่แน่ใจจะเอากระเซ็นึึงไปแน่ใจเอาเทระบาดไม่แน่ใจเอาทีเบียดไม่แน่ใจอะไรได้ตายตายอยู่ที่สงสัยแต่ไม่ได้ไปที่ไหนเลยเนี่ยอย่างคนจะไปตรงนู้นก่อนวันจะไปวันนี้ไปถึงนี้ทั้งไปถึงพรงนี้เรือนี้ทั้งไปถึงต้ไปวันนี้เนี่ย คิดเองว่า น, น่ก็ไปคนตะไน่งี้ไปที่ไหนนี่นาสงฆ์หน้ามุ่งการปฏิบัติเือเราปฏิบัติใช่ไหยแต่เราไม่ได้ห้ามหรอกใครจะมาสอนเราให้รับฟังไม่ให้เข้าใจว่าเรานี่ถูกแล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติในมุ่งอะไรทําอย่างไรถึงทางตรงไม่ให้รู้จักอย่างนี้ตอนนี้ก่อนแล้วไม่หลงออการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยไม่หลงผิด ใครจะมาพูดอะไรก็ไม่ถึงผิดไม่ถึงผิดกับใครทั้งนั้นรู้ทางแล้วออย่างที่เราจับนี่ว่าร้อนนี่ใครว่าโอ้อันนี้มันเย็นนยนะเราก็รู้จักวก็เ ย, เย็นใครก็ว่าเป็นเรามันร้อนของมันร้อนก็ว่ามันเย็นเย็่ยมเย็นโอ้ห่าไปเนีลยเราผูใจสบายเรามันร้อนนี่จะทําไงอย่างนี้ ร, รู้อย่างนี้ซะก็หมดปัญหาแล้วปัญหา ถ้าเนั่นปัญหามันจะตอบเอ อ, อ, อ, อปัญหานี้เราเป็นอย่างนี้คือไม่รู้ความจริงมันหูดปัญหาไม่ได้คือคุณนั้นว่าการแต่งหนังสือการเขียนหนังสือก็ไม่ควรทุรนทุรายเห็นไหอคือมุ่งที่จะต้องปฏิบัติไปเท่านั้นแหละแต่อีกคนนึงว่า ออย่างงั้นใครมันจะมีมีใครมุ่งกี่คนล่ะแล้วก็คนเขียนหนังสือกระจายไปโน่นเขาดูดีกว่าถูกทั้งสองคนนะเนเองคนที่เขียนหนังสือที่ถูกต้องนี่ก็นั่นก็ถูกไอ้คนที่มุ่งปฏิบัติวันนี้ก็ถูกเทว่าให้ทําตามนาทีของเราสะไอ้คนที่เขียนหนังสือก็เขียนไปอย่าไปมุ่งอย่าไปมุ่งความเห็นคนนี้ไอ้ความเห็นคนนี้ก็อย่าไปมุ่งความเห็นคนนั่นก็ปล่อยไปได้นะทำมันถูกมั้ยก็ไม่มีอะไรหืม นี่มันก็ดีท่านมาทำเหมือนฉันฉันก็ให้ทำเหมือนท่านไม่ได้ทำอะไรที่ตายอยู่นี่ไม่ไดไปที่ไหนต้องรู้จักอย่างนี้เราก็เหมือนกันผ่านไปันที่สิ่งที่มันไม่เคยไปเรารู้จักสำคนันอะไรควรไม่ควรเรารู้แล้วใครจะพูดใครจะทําก็ช่างเถอะเราก็รู้จักเขาทําอย่างนั้นนี่นี่ดาบพุทธศาสตร์จนะไม่ลืมตัวรู้ตามความจริงอย่างนี้ไม่หลงไหลไปทางไห น, น จะเป็นใครก็เหมือนกันต้องรู้จักอย่างนั้นปัญหานี้ต้งองจบหมดไปอย่างนี้เขาทำหอย่งอย่างคนเขาทำานี่ยกำลังทำมาทีสองทีกันดังไม้รู้ด้อยไม่รู้เรื่องเช่นว่า <c oughs> เราเดินมาอย่างนี้ไม่ค่อยสบายใจมามาถึงพอหยุดก็ต้อหยุดที่เขาัวอะไรมันวุ่นนะ <c oughs> ให้หยุดทำไมไม่รู้จักมันเดือดร้อน ห ย, หยุดทําอะไรไปไปเ ร, เรื่องเรื่องปัญหาก็มากขึ้นมานะวุ่นหยุดเฉยๆนี่ที่นี่เชื้อ เ, เทศอดในฟังนี้ก็เรียกว่าอที่ว่าหยุดแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยมันวายไปอย่าเข้ากันน้ําอย่างไงนะถ้าปิดพุบน้ํามันท่วมเขื่อนมันพังเห็นไหมอย่าต้องหาทาน้ําออกไปน้ำบายนี่คือม้องกันฉันถ้าไปหยุดเฉยๆไม่ได้กลัวมีพังหมดอี่ตายนี่มันเรื่องทั้งแถานี้แหละ แต่เรารู้เรื่องพวกมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรพลาดปัญหานี่ก็มีอืแต่พอให้หมดปัญหาไม่หมดนะนะถ้าไม่รู้ตามความจริงปัญหาไม่หมดปัญหาที่จะหมดหมดด้วยตนเองอ่านหนังสือแล้วก็มาจุกตรงนี้มาจุกตรงนี้ให้กับครูว่าอ า, า, าจารย์สอนแล้วก็มาจุกตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นจะหายสงสัยเพราะการไปหาถามคนนี่ไม่มี เมื่อหาย เ, เดี๋ยไปนั่งเปลี่เดี๋ยวเดอีกแล้วเห็นไหมเมื่อต่อมาเ่ยตัดต้นมาต่อมันฟังอีกหนึ่หนึ่งไหมอีกกระดูรออนหน่อเอาเกิดขึ้นมาอีกแล้ ว, <ม> ต, ลวตั ด, ตต อ, ด อ, อ, อ, อีกแล้วแล้ ว, ลวเกยดอารถจ์เจืเกลือมาดัานมันขึ้นพิเศษตรงนี้ น, นี่ไมมันเกิดข้อีกเไม่รู้จะเอารถแทรกเตอร์มาจากหนปัญญารู้คจริงนะนะั่ะยอมมันะนั่นแหละในเมืองอเมริกาเขเอารถจือเตลือมาจากไห น, น เราก็หามาอย่างนั้นหามาเอาธรรมะให้ดีมาทำแบบติเตอร์มนเนี่มีที่เรน่าสนใจฉลาดอยู่มาต่งตางๆมันปัญญาวุฒิปัญญาวุธอาวุธคือปัญญาธรรมาวุธอาวุธคือธรรมะนั่นเนี่ยเป็นอาวุธใดเหมือนกันมีน ไม่รู้ไปหาดรอตื่อยู่ไหนจนปัญญาไม่มีธํามอาวุธอาวุธอาวุธก็มังคับฆ่าเจ้ของด้วยนี่คือก็เป็นบ้าอาวุธธรรมะมันฆ่าตัวเองน่ะดีฆ่าตัวเองในมันดีอันนี้มันมันมีตัวมีตนอย่างนี้มันลำบากฆ่าตัวตนได้ก็เป็นอนัตตาเท่านั้นแหละเป็นธรรมาวุธเนี่ ธรมะอะไรท่านยังให้เอาชนะตัวเองไม่ชนะคนอื่นถ้าชนะตัวเองแล้วคนอื่นชนะชนะไปทั้งหมดในโลกนี่ว่าธรรมาวุฒิฆ่าตัวเองถ้าไม่มีตัวมีตนอยู่มันก็ร้องไห้ยังนี้นะสงสัยตลอดเวลานี่ปีนี่ก็สงสัยไม่หมดปีหน้าก็สงสัยยางนี่ไม่หมดเลยเพราะมันมีตัวมีตนถ้าพิจารณามันหมดตัวหมดตนแล้วมันก็เป็นธรรมาวุธชนะตัวเอง ทำไมฟังต่อปัญหาฟันชอบหัวทลาทำไมวิง่งไหนสงสัยนีอาตมาพูดทำไมชอบหัวเราะม่ถึง ไ, ได้ะยังไงมทนแทนหัวใจนะภ <laughs> าริทธอานเ ม, ต, มตังสเมตาปตันตา อาว t a ิตาจิตาปริตังพนันตุสาเกฆะเมจารุเปกิริศิกา a ตะเตจันตลิกเควมานีที่เปรตเตจฆะเมตารวะนัคหาेีเขหาวะตุ h i ิกเต หูมา um a จนตุเถวาจลาตลาวิสเมยคักกาปัตตันต์ต a ตันตัสันติกยังอุนิวารว a เจนังสัตว์เมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลวายัมปัตตันต์ธรรมะสาวนากาโลวยัมปตันต์ อามาซาวนาคาโลอายัมปะตันตาบูตัดเซมังกวะตุนอาราหะโตส a มา นะโม阿ตถะปะกะวะโตะราหะโตสมสมพุทธสุทธางสรณงาจามิทางมังสรณะงาจามิสังค สรนังขจามิตุธียามิบุตังสรนังขจามิตุธียามธมสรนังขจามิตุธียมสังังสรนังจามิตุธียามิบุตรังสรนังขจามิตุธยามธม สังสารังขจามิตติยามปิสังขังสรังจามิทิปิโสภะภาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชฌาจรณสัมปันโนสุกตโตโลกวอนุ โอรสตัมสารติสาตาเทวมนุสานังวัดวมะกวาติสวะคัตวงวาตาธรมโมสันติโกะกาลิโกเอหิปัสสโกโอปะนัยโกะปจจตังเวติตาโป โยเฮติสุปติปันโนะปะกวาโตะสาวกัสังโคอุจุปติปันโนะ a ะ a ว k โตะสาวกัสังโคยายะป a ิปันโนะปะกวาโตะสาวกัสังโ i p ามีจิปติปันโนะปะกวาโตะสาวกัสัง ญาติต่างชาติอริปุริสัยยุคานิยต u าปุริสปุระลาเอ a ส a บกาวะโตสสวะกัสสังควาหุนัยโยบาหุนัยโากิณัยโอัจเรคราิย คนยาเกตังโลกัสติภา สหัสสะมาเเนมิทสาุนังคเรเมคะลังอุติตโครสเสนมารังดานาดิตามวิตนาจิตามุนิโตันเตยจสภาวตุเตจยม ธานิมาราติเรกามาเบยจิตาสัพพราเโหรมพมาลวะคมาคามตาตาญาทังคันเตสุตันตวิดินาจิตวามุเนนตันเตจสสภาวะตเตจายมังกาลานินาลาเรงกจวรัง มัตยมัต a ปุตตังดาวกิจขามัสสนิวสุดารุณันตังเมตับุเสขวิดินาจิตวามุเนโดตันเถจตพวตุเตเชยมังกาตานิกาตวานาคตมตระนิวกาบินิยจินจยาต ท้าวจันทร์จันทร์กายามาเจสันเทนัสวามวิตนาจิตวาม ทันเถจสมวาทุเถดเจียมังกาลนิสัจจาวิทัยมติสัจจะกวาตะเคี่ยตวงวาตับิรพิตามานัติยันตปุตตังปัญญาปีเชลวโตจิตวามุนิยนตันเถจสมวาทุเถเจียมังกาล ลานินโนะปะนาดะปุจจังเวปุตตังมะฮีโหเทนะเทระป e จจเกนะธัมมะปายันโตหีสวะปะเดสวิดินะจิตวามุนนโนตันเทจสะปวุตเถอะสยะมังานิตกะปเกนะสุ ดัตตาธรรมรัมมสุเดจุติมีดิปะามีดานะยานาคเดวิเดนะจิตวะมุนิโตตันตจสสภาวะุเตจยมังลานิเตาเุยมังลายวาจโนอนเน ระราเตะตาเตวานาเนควิวิตานิจุปะตวานิโมคังสุคังอติคเมยานารวัปัญโยมหคัรนิกนาโทยตายสัปปานินาปุเรตาวะปารมีสัปปโตสัมิ หัวท่านเนตินาสัจวัชนะหัวตุเตชัยมังค์รัยอันตวปิยาโมูลสักยานังนันิวัตโนเอวังทวังวิชัยโยหหวหิชัยยะ เจ a ยมังก i เลอปะรจิตาพัลังเกสิเสพตาวิปกเรอปิสิกิสัพพุทธหะกะปตุปโมตติสุนักตังสุมังกาลังสุปปัตตังสุหุตตังสุกานุสุโมหโตจ s สุย พระมหาจารยสุภดากินังกายกามาจักามังผดากินังผดากินังมโนกามปณิติเตปดาคินังดากินันิการวานลปันตาเตผดากินเน กบาบมาบท่าบนพระกรนดูกแผลเลยอัตมาขอพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายซึ่งมาขอกรบมาโทษในวันนี้เพราะว่า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 ญาติโยมทั้งหลายจึงมาขอขมาโทษให้อัตมา น, นั่นให้อดโทษไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นกรรมมิฉนั้นขอพวกท่านทั้งหลายที่พระสงฆ์ที่มาอาศัยอยู่นี้เมื่อพูดไปก็ทำไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีนี่ที่ผิดพลาดประมาทโดยประการใดนั้น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 ขอญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนจงให้อโหสิกรรมให้ขออาภาัยซึ่งกันและกันทุกๆคนเพราะว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะจากกันไปเสร็แล้วที่พระท่านก็ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเทพึ่งเป็นพุทธทบริษัทอันเดียวกันแล้ว <c oughs> จงกลับบ้านด้วยความสงบด้วยความสบายด้วยความสะอาด สิ่งอันใดที่มันเป็นของศกกระโปรก็เอาทิ้งไบนี้อย่าเอาไปด้วยทุกๆกคนให้เข้าใจว่าอาตมามาแนะนำคมสอนให้เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันคือให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าทุกทุกคนที่นั่นเมื่อมีโอกาสวันข้างหน้าต่อไปแล้วก็จงตั้งอกตั้งใจมาทำกรรมาฐานทีนี้ให้มันจเจริญเจริญต่อไป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 ทำจิตใจให้สะอาดเหมือนกันการเนื้อสมานที่เขาถูกถลกหนังออกแล้วมันจะลูกมีความรู้สึกอย่างไรจะไปหารับไปหาดีภัยที่ไหนกลัวอีแรงกลัวอีกากลัวอันตรายต่างๆงอย่างนั้นเนื้อสมันตัวนั้นจงหาความที่อยู่ที่ปลอดภัยเราต้องมีความสังวรสังวมหรือกายวาจาใจอย่างนั้นทุกๆุกคนตรงนั้นบอกให้จับได้สายศีลทุกคนก็ได้ อจะพอสมควรก็ได้ตรงนั้นตรงนั้นขั้งนก็ได้ยกได้ไหมเออเออทังนั้นเออน่งหนวางตรงนั้นนี่บอกอมบัสสิกาวางตรงนั้นนี่ทงนั้นนี่วางตรงนั้นต่อติดต่อกันไปเลยครับประกันตังใจละพอหนึ่อ <c oughs> ตั้ง จ, จิตใจตั้งสัตว์ในใจของเจ้าของทุกๆคนโดยปัจจัยอันนี้ให้บรรลุถึงปนิพานธ์หนุนนะมันสบายซะยะทาวริวาหาปูราปริปเรนติสาครังเอวามีวอิโตทินังเีตานังอุปกปติ ยติตังปฏิตังตุมหังคิปามีวาเสีิเจตูสเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะธาอะเบติโอเวห a จันโตอะบารวโกเวนาจัโต ควรจะร้อยว่าสุขเดกายุคงพออาบิวาดนาสิเรศเนจังุตตปยนารมาวเ ปานาโตสุตัสสะตาเมตาวีสุขังสวัสดิกาจติอาโยนนาโตอวบังคันสุัญญาปิปานาโตเนีายุยัสวาหติยตยตปปัติ สัพพังการั a รักันตุสั a เเดวะตาลาบะบวานุปะเวนะสันดัสสติปวันตุเตนมหาทุสัพพังกรัรักันตุสัพเเดวะตาธมานุเวนะสันดสติวันตุเต อาวะโทสัพพมังขลังราคันโทสะพะเดวะตาสะพาสังฆานุปาเวนัสัะทัสสุตีอาวันุทตีวันนี้คงจะได้จากกันนาโยมนะ <c oughs> มีความรู้สึกยังไงไหมเฮ้สัุกสงบว่างครับอาตมาตอนตื่นเขามาเยียนเสียงนกมันรเองเจ้าวเจ้าวจ้าเวเจ้าเหมือนกับนกเห็นใจเหมือนกันเอามาคุมขังไว้นี่เก้าวันแหมมันจะระเบิดบึ้มไม่ด้เนี่ ให้ให้ตั้งใจต่อไปทําอย่างนี้ออต้องทําอย่างนี้พยายามพยายามทำต่อๆไปดีออื mm hmm. ให้มีความเจริญก้าวหนะ้าเอนอกจากทําอย่างนี้ไม่มีอะไรจะช่วยให้มันสงบละโลกนี้เป็นอย่างนี้ญาติโยมทุกคนก็ให้อภัยกันทุกคนทุกคนอย่าให้จิตเป็นอกุศลเนี่ยอย่าง น, นี้ให้สถานที่นี้เป็นมงคล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 มาแนะนํำธรรมสอนญาติโยมให้ออกจากวัตฏะสงสา ร, รแต่ให้เข้าใจว่าวัตฏะสงสารกับพระนิพพานติดกันอยู่อย่างเงี้ยวัตฏะสงสารอยู่ข้างนี้พระนิพพานอยู่ข้างนี้เราจะไปพระนิพพานจะต้องรู้จักวัตฏสงสา ร, รเมื่อรู้จักวัตฏะสงสา ร, รไปพระนิพพานก็ได้มิฉะนั้นตรงให้พิจารณาว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาก็พิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็พิจารณา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 แต่ทุกคนก็ให้แผ่เมตตาให้อัตมา ก, กระพาการูให้เดินทางปลอดภัยเมื่อเดินทางปลอดภัยเมื่อวันหลังจะกลับมาเยี่ยมอีกก็ได้ ทานอาหารกันถึงกลับหรือมั้งนะเมื่อไม่ทานอาหารเนีกลับเลยทั้งนี้